ก็มามุ่งเจริญคุณธรรม ท, ทำยังไงอะโลพะอัธยาศัยมุ่งกําจัดโลภะจะได้โตขึ้นในใจทำยังไงอัธยาศัยมุ่งกําจัดโทสะจะได้เจริญเติบโตขึ้นในในใจยิง่งยิ่งขึ้นไปทำยังไงอัธยาศัยมุ่งกําจัดโมหะจะเจริ ญ, ญยิ่งยิ่งขึ้นไปผ่าระยะทั้งหลายท่านมีคุณธรรมประจําตัวของท่านอันหนึ่งเลยก็คือถ้าท่านละอกุศลเท่าไหร่ท่านดีใจเพิ่มพูนกุศลธรรมเพิ่มกุศลเพิ่มเท่าไหร่ก็ ดีใจเพราะะถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยใจคิดแบบนั้นจริงๆดีใจที่ลดบาปลดอกุศลดีใจที่ได้เพิ่มภูมิบุญกุศลแสดงว่าเราก็ไปอยู่ในเวทวงของอะนะท่านจะบอกว่าเป็นผู้ที่เดินตามร่องรอยของพระเริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะก็อยู่ในอริยะวงแล้วละ่ะก็คือว่าเกิดมาในวงของพระอริยะเพราะมีอัธยาศัยตามวงของพระอริยะแล้วะนะถือว่าเดินตามทิศทางของท่านเหล่านั้นเพระนั้นถามว่า เมื่อมีอัธยาศัยที่มีสติขึ้นก็ต้องเห็นโทษของการหลงลืมสติเนี่ยนะเห็นโทษของการหลงลืมสติเมื่อมีการวิจัยอริยสัจบ่อยๆเรียกว่าธรรมะวิจัยเนี่ยนะธรรมะวิจัยก็คือวิจัยเพื่อเห็นอริยสัจธรรมทั้งหลายเมื่อเลือกเฟ้นโดยเยบคายวิจัยโดยแยบคายเฟ้นจนว่าสิ่งเฟ้นจากอุปาทานขันห้าเนี่ยเฟ้นอุปาทานขันห้าจนพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับ เหตุเกิดของอุปาทานอุปาทานขันห้าคืออะไรเหตุเกิดของอุปาทานขันห้าคืออะไรความดับแห่งอุปาทานขันห้าคืออะไรแล้วภาคเพียรพยายามอย่างไรจึงจัดแทงตลอดอริยสัจปัญญานี่เฟ้นอยู่อย่างนั้นตลอดการเฟ้นอยู่อย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจยสามโพชงเนี่ยนะต้องมีการเฟ้นอยู่ตลอดเวลาเฟ้นเฟ้นที่ไหนที่ขันห้านั่นแหละ เนี่ยนะพรมโลกจะทำอะไรได้เนี่ยนะก็อยู่ขันห้านี่แหละนี่ถ้าวิจัยขันห้าจนรู้ว่าเหตุเกิดของขันห้าคืออะไรความดับขันห้าคืออะไรแล้วจะเจริญองค์มรรคโดยมีขันห้าเป็นปัจจัยนี้ได้อย่างไรขันห้าจะเจริญพ่เออขอไปอริยมรรคจะเพิ่มพูนได้อย่างไรแล้วก็เจริญอย่างเนี้ยให้บ่อยๆบ่อยๆตั้งเป้าเพื่อการตรัสรู้วิจัยอยู่อย่างนั้นแหละวิจัยแล้วแเล่าเลแล้วแล้วเล่าเอันนั้นเป็นธรรมะวิจัยแต่ถ้าฟุ้งให้เลิกวิจัยก่อนนะ ไปหาอะไรที่มันสงบสงบคิดก่อนหาพระธรรมคือสงบหรือไม่สงบเนี่ยบางทีมันอยู่ที่เรื่องอย่างสมมติถ้าเราอยากฟุงฟ้งซ่านเนี่ยฟังเรื่องบางเรื่องนี้ฟุ้งทันทีเลยถ้าเราอยากสงบฟังบางเรื่องสงบเลยก็มีเพราะนั้นเขาเรียกเขาเลือกที่นิมิตนะนะเาบอกว่าเลือกที่นิมิตภาษาธรรมะใช้เคำอุออเบกขานิมิตปัจข า, านิมิตวิปัสสนานิมิตพวกนี้เป็นต้นวิปัสสนานิมิตเนี่ยนะถ้าถ้าปัญญาไม่ดีเนี่ยจะหนักไปทางฟุ้งซ่าน แล้วถามสมถานิมิตเนี่ยนะถ้าฟังไม่ดีแล้วมันง่วงยใจเข้าเลือกๆนะฟังทับเดียวเนี่ยนะแมหันไปดูทีเปิดไฟมานี่นั่งสับ ป, ประงกโยกเย ก, กไปหมดเลยหลายแห่งเป็นอย่างนั้นี่ะถ้านั่งฝึกอย่างนั้นไประยะหนึ่งกลายเป็นคนนั่งเมื่อไหร่ละคอพับคอเอียงทุกทีไปเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งโอ้ยแ่นิ่งก็เป็นหลับเลยนะนิ่งก็เป็นคอพับคอเอียงโยกซ้ายโยกขวาดีเป็นโรคกระเพาะนี่ไนงะเพราะว่ามันมัน ต้องศึกษาให้มันดีๆนะไม่อยงั้นนี่คุณธรรมเราไม่ได้ควรเจริญเท่าที่ควรเจริญเสียเวลามเวลาเของมาว่ามันเสียดายเวลาชีวิตเนี่ยนะกว่าจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็โอ้ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองมากวันหนึ่งนี่มีอ่าอย่างที่กล่าวว่าวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งใช้เวลากี่วินาทีนะวันหนึ่งเนี่ยกี่วินาทีแล้วใช้ไปทําอะไรบ้างวินาทีเหล่านั้นแล้ววินาทีเหล่านั้นเนี่ยมันถือว่าเป็น จะเป็นจะเป็นบุญหรือก็เป็นบาปก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะใกล้สวรรค์หรือใกล้นรกก็อยู่แถวแถวนั้นนะ่ะอคัดไอ้แต่และ ว, วินาทีให้เป็นเนี่ยนะเขาบอกว่าชีวิตที่มันละเอียดละเอียดเหล่านี้ถ้าเราอาวัชนะใหม่ใหม่หม่ใที่วิจัยเพื่อการเป็นอริยสัจคือใจทั้งหลายเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาวัชนะถึงแปลว่ามันต้องคิดถึงนะพูดภาษาไทยเราเรียกว่าต้องคิดถึงอะไรน่าคิดที่สุดอาวัชนะเนี่ยนะ อะไรน่าคำนึงถึงที่สุดเราตั้งให้ใจนี่ยมันคํานึงไปในเรื่องอะไรถ้าเราตั้งเต้าได้ใจมันจะคํานึงแต่เรื่องเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นได้ถ้าตั้งไม่ได้ใจมันไม่ยอมคํานึงนีนะเพราะถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆศึกษาพระธรรมดีๆเนี่ยอะไรควรใส่ใจไว้บ่อยๆใส่ใจไว้บ่อยๆคํานึงไว้บ่อยๆ อ, อย่าลืมว่าวิปัสสนาเนี่ยนะเดินตามอาวชนะถ้าอาวัชนะไม่นึกปัญญามันก็ไม่ทํางาน นะมันต้องนึกก่อนเหมือนกับว่า อ, อ, อะไรหนังสือเนี่นะถ้ามือไม่เปิดตามไม่อ่านหรอกนะเพราะตามันมันเปิดหนังสือไม่ได้ใช่ไหมเพราถ้าอ่านกระจายวีดีโอถ้ามือไม่ยอมทำงานเลยไม่ยอมพลิกไม่มีใครไม่อะไรสักอย่างเยนะตามไม่รู้จะอ่านอะไรเหมือนกันนะเพาใช้เปลือกตาไปเปิดหนังสือก็ไม่ได้สันใดก็ดีวิปัชนาทั้งหลายก็เนื่องด้วยอาวัชนะ ต้องอยู่ที่การคํานึงการลเพึงการใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆฉะั้นคาว่าศิกขาเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิปัญญาศิกขาก็คือเมื่อรู้เมื่อเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิฐานเมื่อสมาทานเป็นต้นนั่นแหละปัญญาเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นเนะเราก็ต้องหมั่นตั้งอวัชนะให้เป็นไปกับการวิจัยอริยศาสตร์ได้บ่อยๆถ้าเลือกทําอย่างนั้นได้บ่อย ปัญญาก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นไปทีนี้ธรรมวิทยาสามโพชงเนี่ยนะเราจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขันอายตนะท่าสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะหาข้อมูลในสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามีอัธยาศัยที่จะเจริญปัญญานะถ้าจะมีอัธยาศัยเจริญปัญญาต้องเก็บข้อมูลเนี่ยนะสุตตามิยานี่นะก็ในโลกนี้การเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วสําหรับคนที่คิดอะไรเองไม่เป็นเนี่ยนะจะต้องเรียนทั้งผู้ที่จะตรัสรู้อริยศาสตร์เหมือนกัน ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ากับพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ไม่ต้องเรียนมากคนที่เหลือนี่ต้องเรียนมากเพราะอริยสัพย์อันหนึ่งก็ใช้คําว่าพหูสูตรนี่ก็เรียกว่าเป็นอริยสัพย์เมื่อใดที่เราเห็นว่าความเป็นพหูสูตรเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเนี่ยนะเราจะมีใจยินดีที่จะใฝ่รู้เรียนรู้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้บางคนก็เรียนมากแต่ไม่รู้ว่าเรียนไปทําไมเป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายอยู่ที่ไหนนะการศึกษาพระธรรมเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ทรงพระไตรปิฎก มีสูตรหนึ่งนี่ยังชอบอยู่เลยชื่อว่ามหาสุญญาสูตรก็องบอกว่าดูก่อนอ น, นุนแต่นะสาวกไม่ควรติดตามาศาสดาเพียงเพื่อเรียนสุตตะไขยะและวิยากนแปลภาษาไทยว่าอย่ามุ่งเพื่อทรงพระไตรปดฎกอย่าไปมุ่งเอาตรงนั้นเพราะอะไรเพราะบางทีปัญญาเรามันน้อยเกินกว่าที่จะไปไปทํากิจเหล่านั้นเหล่านั้นได้แต่สาวกควรมุ่งมุ่งเพื่ออะไร ติดตามภาษาสดาเพื่อฟังคาถาวัตถุสิบทีนี้ถ้าถ้าเรามีใจว่าใจของเราโดยมีอัธยาศัยเพื่อการปฏิบัติจริงๆนะเราต้องฟังทำให้เป็นคาถาวัตถุสิบหรือฟังทำให้เป็นวิสุทธิเจ็ดนะถือเอาคาถาวัตถุสิบเป็นข้อปฏิบัติหลักหรือเอาวิสุทธิเจ็ดเป็นข้อปฏิบัติหลักแล้วฟังว่าอันนี้มันอยู่ในวิสุทธิข้อไหนแต่ละอย่างแต่ละอย่างหรือถ้าเอาฟังเป็นคาถาวัตถุสิบเช่น อันนะั้นคาถาว่าด้วยการมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีแล้วก็สงัดวิเวกหน่ยนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกมีวิริยะสติสมาธิปัญญานนเออขอให้วิริยะแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตมติยานธรรมทัศน ะ, ะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ละข้อแต่ละข้อจําไว้ดีนะเอาใหม่นะ มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียรห้าคำเลยนะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะถ้าเราเข้าใจแต่ละอย่างปับ๊บฟังพระไตรปิฎกหรืออ่านพระไตรปิฎกให้เป็นคาถาวัตถุสิบบรรทัดนี้ย่อความหัวย่อหน้าอันนี้ข้อความตรงนี้หมายถึงอะไรในสิบข้อท่ก็ฟังให้เห็นถ้าเป็นตรงไหนเป็นปัญญาคาถาก็นั่นอ ะ, นะเกี่ยวกับอริยสัจทั้งหลายน ะ, นะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแน่นอน ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะการเรียนมากเรียนเรียนขนาดไหนก็ก็มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนการฟังธรรมก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยพอเรียนไปเรียนมาบางคนก็พูดอย่างไงโอ๊ยพรไตรปิฎกมีแต่ซ้ําๆหมาเนี่ยีอะไรเลยกว่ากันอ่านเมื่อไหรเมื่อไหรก็ดูซ้ําๆๆ้ำๆกันอ่าโดยคํานี่ซ้ําจริงแต่โดยคุณธรรมนี่ไม่ซ้ำเนี่ยนะเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูน คุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาเพิ่มพูนคุณธรรมที่จริงถ้าถ้าคิดแบบนั้นว่าทำไมเราต้องทานข้าวบ่อยๆเมื่อช้าเมื่อวานก็ทานแล้วไม่ใช่หรอปีที่แล้วก็ทานข้าวปีนี้ไม่ต้องทานนะพอละฉันถามว่าทําไมต้องทานอยู่อย่างนั้นบ่อยๆบ่อๆเพื่ออะไรเพื่อพลังงานฉันใดการฟังการอ่านก็เพื่อพลังปัญญาเป็นต้นฉันนั้นเนี่ยเพื่อฟังการฟังการอ่านการไตร่ตรองการพิจารณา เพื่อเพิ่มพูนคาถาวัตถุสิบเพื่อเพิ่มพูนอริยาซับเหล่านี้เนี่ยนะทำยังไงอริยาซับคือศรัทธาเป็นต้นจะมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมจนเรียกว่าศรัทธาก็ถึงเอาขนาดไหนดีเป้าหมายขนาดไหนศรัทธาจนกว่าจะมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนี่ยนะจะต้องเพิ่มศรัทธาให้ได้ขนาดนั้นเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายจะต้องมีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงจากพระรัตนตรยนัยนะั่นในรัตนสูตร รองตรัสว่าเสาเขื่อนเสาหินเนี่ยนะที่เสาเขื่อนก็ได้เสาหินก็ได้ที่ปักลงดินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กำเริบลมที่มาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดลมจากทิศสี่เนี่ยนะพัดเสาหินให้สะเทือนได้ไ้ยไม่ได้ชั้นใดพระอริยาสาวกผู้เห็นอริยสัจธรรมแล้วก็ชั้นนั้นไม่หวั่นไหวในคําของบุคคลอื่น แล้วก็พระอริยาสาวกผู้เห็นอริยศาสตร์ดังกล่าวแล้วไม่มีอภิฐานหประการท่านจะไม่ทําอนันตริยกรรมและไม่นับถือาศาสดาอื่นเด็ดขาดอันนั้นคือคือคุณธรรมของพระอริยาสาวกนั่นคือสังขารตนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ทางชัดเจนว่าการเจริญโพชฌงเป็นต้นของเราทั้งหลายเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพื่อความเป็นพระสกท า, าคามีเพื่อความเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะทีนี้ถามว่า ในชั้นต้นๆเนี่ยนะแม ม, มันมันสับสนไปหมดเลยไม่รู้ทําไงดีเจริญกุศลเมื่อใดก็ตั้งความปรารถนาไว้เถอะนะให้ทานทักษะศีลฟังธรรมเจริญกุศลและทำอย่างใดอย่างหนึ่งขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่ อ, อนะเรากำหนดทิฏฐานให้ตัวเองบ่อยๆเลยกําหนดอธิษฐานอัตตังอัตตะสัมมาปณิทิบ่อยๆตั้งความปรารถนาบ่อยๆว่าเพื่อเพื่อเพื่อถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นนะยังไงเราก็ไม่สนใจ มันมันแปลกว่าถ้าเราไม่มีใจกับสิ่งนั้นเราจะไม่อยากสนใจกับเรื่องนั้นเลยอริยสัจทั้งหลายก็เหมือนกันการบรรลุมรรคผลในพานก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ใจปรารถนาจริงๆไม่มีใจต้องการจริงๆเชื่อเหรอเราไม่บอกไม่น่าสนใจถ้ามีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าผู้ใดที่มีอัธยาศัยในกามผู้ที่มีอัธยาศัยในกามย่าไปคุยเรื่องนี้คัมมาเด็ดขาดเขาไม่รู้เรื่องหรอก แต่ถ้าไปคุยเรื่องกามปั๊บเนี่ยยาวทันทีเลยเขาบว่าเหมือนอะไรเหมือนสหายเก่าที่จากกันไปนานแล้วเจอหน้ากันคุยถึงเรื่องความหลังครั้งเก่าแก่เลยนะห้ยคุยได้ยาวเนี่ยคุยมาคำหนึ่งอีกคงก็จะต่อช่วยกันต่อแต่ถ้าไปคุยเรื่องอื่นจากนั้นบอกเลิกคุยกันไม่มีอะไรจะคุยฉันใดก็ดีใครที่มียทยาศัยในการทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นถ้ามาคุยในเรื่องของเนคขมะคุยถึงเรื่องสมถาวิปัสนาเขาไม่ชอบเห็นไหม ทีนี้ในระดับล่างเหมือนกันใครที่มีอัธยาศัยในมหากรุสชนเฉยๆระดับล่างๆเนี่ยถ้าคุยเรื่องฌานนะเขาเฉยๆนะเพราะเขามีอยธยาศัยแค่ทานศีลแบบทั่วๆไปเขาไม่ต้องการระดับสูงอะไรพอคุยในระดับสูงขึ้ไปเขาจะเฉยๆทีนี้คนที่ได้ระดับรูปฌานเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องอรูปฌานเขาเฉยๆถ้าคนที่ได้อรูปฌานถ้าไปคุยเรื่องอสังขตะธรรมเรื่องพระนิพพานเขาก็เฉยๆเขาไม่สนใจ แต่ถามว่าทำยังไงให้มันสนใจได้ทุกเรื่องทำไงมีเป้าหมายไว้ก่อน ม, มีมีอธยาศัยมีการตั้งความปรารถนาเรียกว่า พูดแบบภาษาไทยก็คือมีใจกับสิ่งนั้นเอาไว้ให้มากมากให้เรามีใจกับคำสอนเราก็ยินดีที่จะฟังคำสอนถ้าเรามีใจที่จะเพิ่มพูนคุณธรรมเราก็จะยินดีในการเพิ่มพูนคุณธรรมถ้ามีใจที่จะเจริญสมถะเราก็จะสนใจต่อสมถะถ้ามีใจต่อวิปัสสนาเราก็จะเจริญวิปัสสนาถ้ามีใจที่จะแทงตลอดอริยสัจก็เริ่มเอาอริยสัจมาคิดขอให้มีใจเถอะนะชั้นแรกๆเนี่ยนะอย่าง บอกจริงๆขอมาพระไตรปิฎกบางเล่มไม่สนใจเลยนี่ทําไงดีแต่ว่ารู้ว่าดีก็แล้วกันน่ะนะแต่เชื่อว่าดีอ่ะเพราะว่าเปิดดูแล้วก็เนื้อหาก็ดีแต่ว่ามไม่อยากรู้ไม่อยากอ่านทำไงดีไงแล้วก็ไม่มีใครมาสั่งให้อ่านด้วยนะก็กล่อมตัวเองก่อนดีนะเล่มนี้นะ่ะลองดูสิในพวเล่มมุกโตนะเนี่ยเนื้อหาเท่าไร่ถ้าทํานี่นี่ดูสินี่ก็น่าสนใจต้องหาเวลาอ่านให้ได้นะ แค่พูดแบบภาษาหนึ่งก็เหมือนกับหลอกตัวเองอ่ะแต่ไม่หลอกนะกล่อมแคเกลียกกล่อมตัวเองถามว่าเกลียกกล่อมตัวเองให้เจริญกุศลนี่ควรทําหรือไม่ควรทําควรทํานะบางทีเนี่ยสมมุติว่าอย่างถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือมันขยันทุกวันไหมล่ะแล้วก็ต้องคอยเกลี้ยกล่อมใช่ไหมใจของเราบางทีนะเด็กกว่านั้นอีกเนี่ยนะแบะเบาะกันนั้นอีกในบางวิชาเนี่ยหลายๆวิชาเนี่ยมันแบะเบาะจริงๆมันก็ต้องคอยเกลี้ยกล่อมมาเอิมดีนะเนี่ยถ้าเรา นี่ถ้าท่าไม่ได้ฟังแล้วจะสูญเสียโอกาสขนาดไหนนี่เราขาดความรู้ไปเท่านั้นนะ น, นี่ดีนะแล้วก็เรียกร่อมเนี่ยพระธรรมกว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยแสนกับกว่าจะได้ตรัสรู้พระธรรมสูตรนี้โอ้ดีเชียร์อยู่แค่ปีสองปีเองก็อ่าน <c oughs> ใช่วาบางคนไ่บอกอเขาแค่ไม่กี่วันเนี่ยเขามานี่เป็นปีๆเนี่ยนะบางเรื่องนะโครงการไว้ยี่สิปีอย่างเงี้ย